กราบบูชาพระรัตนตรยัยกราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกับกบระวะพระอาจารย์ยุ ก, กิอาจารย์ฉัดชัยแล้วก็เพื่อนสาธมิกนะทุกท่านขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตาม สบายนะไม่ต้องปนมมือนาจะยกมายกมือเคลื่อนไว้ไปด้วยก็ได้ <c oughs> เออถ้าเราสังเกตให้ดีนะหลังจากที่เราไหวปราสดมนสังเกตจิตใจเราไหมเป็นยังไงมันปกติเฉยเฉยใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยเฉย จิตอันนี้เป็นจิตดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วทุกคนจิตอันนี้แหละเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งของเราได้เราสังเกตนะลักษณะอาการของจิตอันนี้ให้ได้บ่อยๆนะ <c oughs> ชีวิตที่อยู่ในโลกก็ดีหรือที่สัมผัสกับโลกก็ดีคำว่าโลกในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงโลกข้างนอกตลาดหรือว่าในเมืองแต่โลกก็คือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเพราะฉะนั้นในวัดนี้ก็มีโลกนะโลกที่กระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมาอยู่วัดป่าสุกโตสัมผัสกับป่าที่เป็นธรรมชาตินะเรารู้สึกสบยสบาย รู้สึกใจเฉยเฉนะไม่มีสิ่งกระตุ้นเราเหมือนกับเราอยู่ในเมืองนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะที่ให้เราได้กลับมาดูจิต ด, ดั้งเดิมธรรมชาติ ด, ดั้งเดิมนะก็คือจิตปกตนะิทำให้เราก็รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยธรรมดานะอันนี้แหละนะเป็นหลักนะที่สำคัญ นะเป็นสิ่งที่ถ้าเราสัมผัสกับมันบ่อยๆนะก็จะทำให้เรามีจิตใจเป็นปกติการเรียนรู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องตรงไปตรงมาแต่อย่าใช้ความคิดที่มันยากเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ความคิด เออย่างนั้นใช่มนะเออย่างนี้ใช่ไหมนะฟังครูบาจารย์ฟังเพื่อนอ่านหนังสือมาธรรมะมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันเป็นอย่างนี้คิดไปหาเหตุหาผลไปมันก็เลยไม่เข้าใจสักทีเพราะมันไปติดอยู่ที่ความคิดพวกเราส่วนใหญ่ผ่านระบบการศึกษาที่ใช้ความคิดหาเหตุหาผลคิดนั่นคิดนี่แต่มาเรยนธรรมะ ไม่ใช้ความคิดเลยทิ้งเลยนะมันคิดดีคิดไม่ดีไม่ต้องไปใส่ใจมันกลับมารู้สึกตัวใช้สัมผัสรู้การเรียนรู้ธรรมะไม่ใช้ความคิดไม่ใช้การจดจำสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะที่เราฟังอยู่นี้เราได้ยินเสียงไปกระทบหูนะอันเนี้ยเราไม่ได้คิดเลย มันเป็นเสียงที่ไปกระทบหูตรงๆนะแล้วเราก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่ารู้จำนะรู้จำนะซึ่งรู้จำเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็ลืมนะเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปทดลองเอาไปปฏิบัติมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมนะมันเกิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆเออน่นะนะนะรู้แจง้งรู้จริง เพราะฉะนั้นเรารู้จาอย่างเดียวไม่พอการรู้จาอาจจะได้ยินได้ฟังอาจจะอ่าน ห, หนังสืออาจจะได้ยินครูบาอา จ, จอ า, ารย์พูดนะตรงนี้เราพอเข้าใจนะแต่จะให้มันแจมแจ้งขึ้นมาต้องไปทดลองปฏิบัตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าสุกโตเราเนี่ยนะเราจะเน้นนะการเรียนรู้ธรรมะโดยการปลุกความรู้สึกตัว หรือที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วเป็นสติหรือเป็น ส, สติสัญชาตญาณที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราทำการทำงานเราก็ใช้สติตัวนี้แหละนะเป็นสติสา ม, มัญที่มีอยู่แต่สติตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ทันกับอารมณ์ยังไม่ทันกับความคิดนะที่มันไวมาก ไวยิ่งกว่าแสงนะสิ่งที่เราที่สุดในโลกก็คือแสงใช่ในทางวัตถุแต่มีสิ่งที่ไวกว่าแสงก็คือความคิดซึ่งไอน์สไตน์บอกว่าอะไรที่ไวกว่าแสงจะไม่มีตัวตนแต่มันมีสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้อันนี้เรียกว่าสุดยอดเลยนะเป็นความรู้สุดยอดของมนุษย์ ที่เจ้าชายเิทธาได้ค้นพบเมื่อ2600ปีที่แล้วท่านเรียนมา18ศาสตร์เหมือนพวกเราเนี่แหละนิติศาสตร์รัฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตนะ ร, ร์นะการทหารท่านเรียนมาหมดเลยแต่ความรู้ น, นั้นเอาไว้ใช้สำหรับการทำงานกับสังคมการทำการทำงานเพื่อให้มีเงินนะสำหรับเลี้ยงตัวหรือว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ คนในสังคมแต่สิ่งที่เรามาเรียนรู้กันเนี่ยเป็นความรู้ที่จะเอามาแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเอาง่ายๆก็ได้นะความเบื่อความเซ็งความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความโกรธความโลภความหลง นะสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีหลายคนธรรมาเคยเจอเขาบอกไม่ต้อง ม, มาปฏิบัติธรรมเลยอยู่บ้านก็สบายดีมาปฏิบัติธรรมทำไมทุกจะตายอยู่บ้านดีๆเนะี่มาทรมานตัวเองทำไมมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็กินก็ใช้ไปใช่ไหมถ้ามันเครียดก็ไปเที่ยวสิไปดูหนังดิไปฟังเพลงดิใช่ปะ มันก็หายนะแต่เราเคยสังเกตไหมว่าป <c oughs> ริมาณความต้องการมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาหารที่เราเคยกินเนี่ยพอกินไปสักพักมันก็เบื่อใช่ไหมมันต้องหาอันใหม่เพลงที่เราเคยฟังซ้ซําๆักะ ก, ก็เบื่อต้องมีเพลงใหม่แนวมันท่าเต้นเดี๋ยวนี้กัง nam s ไตล์เบื่อแล้วแปลอะไรให้เรามเช็คใช่ไหมอ่าโอ้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะวิ่งตามใช่ไหมวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปตลอดหรือเปล่า <c oughs> และสิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาให้ฟรีนะเสียตังค์ไปเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> <c oughs> ความสุขที่ได้จากวัตถุภายนอกเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องจ่ายเงินต้องเสียเงินเสียทองกันมากมาย มี <c oughs> เข้าใจว่าน่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันหนึ่งนะชื่อไลน์หลายคนคงเคยเล่นนะฟรีหมดทุกอย่างเลยแต่ฟรีไปฟรีมาตัวที <c oughs> มันมีอ น, นี่ต้องจ่ายอั น, นี้ต้องจ่ายหารูไหมะ <c oughs> เขาหลอกให้เราใช้ฟรีก่อนแล้วเสียตังค์ทีหลังใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ล่อหลอกให้เราหาทางที่จะทำให้ตัวเราอยู่ อยูนิ่งไม่ได้หาสิ่งที่มาตอบสนองนะเรียกว่ากรบเกลื่อนกรบกลือนความทุกไปไปวันวันหนึ่งนะแล้วบางทีพอมาถึงจุดหนึ่งแล้รู้สึกเออมันไม่อิ่มใจสักทีหนึ่งเงินทองก็มีข้าวของก็มีครอบครัวก็มีเพื่อนฝูงก็มีบางทีมานั่งอยู่คนเดียวเหงาว้าวเวยก็มีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น ยิ่งปัญหาปัจจุบันนี้เราเห็นว่าโอโ้มันมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตลอดเวลายิ่งเราอยู่ในสังคมข้างนอกนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะไม่รู้เท่าทันใจของเราไม่รู้เท่าทันธรรมชาติดั้งเดิมหรือจิตดั้งเดิมของเราเราก็จะวิ่งหาไปไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วก็เหน็ดเหนื่อย หาเงินหาทองเพื่อจะมาบำรุงบำรเรอนะเพื่อสนองนะสิ่งเหล่านี้ร่ําไปแต่ไม่ได้ก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวกลับมาคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของจิตที่เป็นปกติเราจะได้สัมผัสกลับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นความสงบที่รู้ตัวไม่ใช่ความสงบที่ไม่รู้ตัว หลายคนพอพูดถึงปฏิบัติธรรมก็จะนึกถึงภาพนั่งนิ่งนิ่งหลับตาจยนยน็นเงียบเงียบไม่ต้องพูดต้องคุยออกับใครนะแล้วก็นั่งไปให้มันสงบให้มันนิ่งนะมีปิติอิ่มเ อ, อิบซาบซ่านขึ้นมานะขนลุกขนพองนะสิ่งตัวธรรมาก็เคยเจอนะสมัยที่ไปเรียนรู้ใหม่ๆกับพี่สุวรวัล น, นะ อยากใหร้รู้จักสปวันกรีนเนี่ยตอนนั้นก็สอนอาณาปนาสติให้อัตอมาทำได้อิ่มเลยไปตํองกินข้าวทั้งวันยังได้เลยนะเออมันอิ่มขนาดนั้นนะ่ะอิ่มใจว่ะแต่เท่าทีมันอยู่ได้สักพักมันก็หายก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำให้จิตมันสงบแต่เป็นสงบชั่วคราวเราปฏิบัติทำนะ โดยการเจริญสิเนี่ยก็จะพบกับสิ่งเหล่านี้นะเป็นความรู้สึกที่อิ่มอกอิ่มใจนะเกิดปิติเกิดกความซาบซ่านขึ้นมาแต่ดีสักพักมันก็หายนะสิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติที่เขาจะเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะที่เรามาเรียนรู้ธรรมะนเนี่ย นะไม่ใช่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งหลับตานิ่งๆสงบอย่างนั้นลิมตานี่แหล ะ, ะเผชิญหน้ากับอารมณ์เลยนะการฝึกวิธีนี้เนี่ยไม่หลบหลีกไม่กบเกลือนตรงไปตรงมาเผชิญหน้าพร้อมเผชิญทุกอารมณ์แต่ก่อนที่เราจะไ ป, ปะเผชิญกับอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยเราต้องมีหลักก่อนเหมือนนักมวยอะนะมันต้องฟิตซ้อมไม่ดีก่อน เนื่องจากอารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเราไม่สามารถจะจับมันได้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้แต่มันมีนลกลไกอันหนึ่งของธรรมชาติที่เจ้าชายได้พบก็คือว่าใจของเราเนี่ยนะมันจะรับรู้ได้เพียงอารมณ์เดียวได้เพียงอารมณ์เดียวเปรียบเทียบเหมือนกับเราเล่นกีฬาดนตรีอะมีกีฬอยู่ตัวเดียวแล้วมีคนสองคนใครนั่นกีฬาก่อนคนนั้น คนนั้นก็เข้าไปอยู่ในใจเราเหมือนอย่างเราแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยมาฝึกนะไม่เคยมาฝึกเจริญสติเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็เดินความคิดนะมันเข้าไปครองใจอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายมันเข้าไปคลองใจเราความรู้สึกตัวมันมาไม่ทันสติมันมาไม่ทันเห็นไหมเพราะฉะนั้นรู้นะโกรธได้ไม่ดีแต่มึงยังโกรธอะ่ะโกรธไปแล้วก็ยิ่งมารู้ทีหลังลว่าเออ เราแย่และเราไม่น่าโกรธเลยมันมันช้าไปนิดหนึ่งเพราะนั้นถ้าเรามาฝึกตรงนี้เนี่ยาการมาเจริญสติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่อรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดความคิดเร็วใช่ไหมความรู้สึกตัวเร็วกว่าเป็นสิ่งที่มันมีโดยธรรมชาติเพราะนั้นการมาเจริญสติเนี่ยเราไม่ได้สร้างอะไรใหม่เลยนะ เพียงแต่เรามาเพิ่มประสิทธิภาพของความรู้สึกตัวให้มันมีความฉับไวขึ้นให้มันเร็วให้มันไวไวกับอารมณ์ไวกับความคิดไวกับความรู้สึกต่างๆแต่ซึ่งจริงๆต่างเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในตัวเราทีนี้ทำยังไงล่ะเราจะดูให้ทันมันก็มีกลไกอันหนึ่งก็คือชีวิตของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยสองส่วนคือกายกับใจกายกับใจเนี่ยมันติดกัน เราจะไปดูใจเราต้องดูที่กายก่อนใช่ไหมการดูที่กายเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตาเนาื้อดูเราใช้ตาในคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เป็นสามัญที่มีอยู่แล้วนั่นแหล ะ, ละเพียงแต่ว่าเราปลุกมันกระตุ้นมันให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นด้วยเหตุนเองครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงหากลอุบายเทคนิคที่จะทาให้เรา เกิดความตื่นตัวขึ้นมานะหลวงพ่เทียนเนื้อก็เป็นท่านหนึ่งท่านได้นําเสนอวิธีนี้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วหลังจากที่ท่านได้พบวิธีการแก้ทุกข์ของท่านท่านใช้เวลาเพียงแค่สองวันท่านบอกท่านไม่มีทุกข์ละหรือทุกข์ของท่านไม่มีล้วภายในสองวันแล้วท่ต้องมาจับเอาตรงนี้ว่าการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันจะเป็นตัวปลุกความรู้สึกตัวได้ โดยไม่ต้องนั่งนิ่งๆไม่ต้องนั่งหลับตาลืมตาใช้การเคลื่อนไหวท่านกนึกรูปแบบขึ้นมาว่าจะทำอย่างไงรูปแบบนี้ท่านประยุกต์หรือ ป, ปรับมาจาก ว, รรวิธีการที่ท่านไปเรียนมาจากเมืองลาวเขาเรียกวิธีตื่นนิ่งตืนก็คือไหวนิ่งก็คือนิ่งสิบสีจังหวะอย่างนี้แหละแต่เขามีคำประดิกรรมาตื่นนิ่งแล้วเวลา ย, ยกนี่เขาจะยกช้าๆช้าๆเป็นจังหวะ ท่านบอกไม่ทันกิน่ะมันไม่ทันความคิดท่านตัดกรรมยกรรมเลยแล้ว ท, ท, ทาตามธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปยกยกยกยกเดี๋ยวนี้ยังมีนะสำนักนี้ที่เมืองลาวยังมีถ้าใครอยากไปเรียนรู้เนี่ยเขาบอกถ้ามาเรียนรู้ต้องมาอยู่เจปีเขาจับขังห้องเลยไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวเขาส่งข้าวส่งน้ำให้าสานักนี้ยังมีอันนี้ตามาได้ยินมาจากพระที่ท่านไป วิธีการ14จังหวะเนี่ยหลวงพ่อเทียนได้ปรั บ, บนะจากที่ท่านปเรียนรู้นะแล้วก็เอามานำเสนอนะซึ่งก็เป็นวิธีการที่แปลกประหลาดมากประเทศไทยก่อน50ปีที่หลวงพ่อเทียนจะนำเสนอเนี่ยเราจะรู้จักแต่การฝึกสมาธิไม่มีใครพูดถึงเจริญสติฝึกสมาธินั่งหลับตานิ่งบริกรรมพุทโธสัมมาอรัหังยุบหนอพองหนอ บางสำนักก็เพ่งดวงแก้วสัมมาหลังสัมมาลหังซึ่งจะเป็นวิธีการที่มีมาแต่เดิมและวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้คนเข้าใจธรรมะแต่เมือมาถึงยุกนี้เนี่ยคนที่ไปเรียนรู้เนี่ยเรียกว่าเรียนไม่ถึงที่สุดนะส่วนใหญ่เรียนแล้วไปจมอยู่กับความสงบยุบหนอพองหนอสัมมาหลังแล้วเงียบนิ่งไม่เตืมตัวขึ้นมาสติมันเลยเฉ ย, อยงไง จริงๆตู้พิธีเนี่ยนะทําให้เราก็จะธรรมะได้หมดแต่เราเรียนรู้ไม่ถึงที่สุดนะทีนี้วิธีการที่เรามาฝึกกันเนี่ยห <c oughs> ลวงพ่อเทียนบอกไม่ต้องมีกรรมบริกรรมตัดไปเลยเพราะกรรมบริกรรมเป็นรูปร่อยของความคิดการนั่งหลับตาเนี่ยมันจะทําให้เราง่วงแล้วมันจะจินตนาการเพราะนั้นท่านอบอกให้ลืมตาเลยหลงปู่บอกลืมตาแล้วจะสังเกตยังไงไม่เป็นไร เราไม่สงบแบบนิ่งๆแต่สงบแบบรู้สงบแบบรู้ตัวมาเชิญเลยแต่ตาเราไม่ไสั่สายไปไหนนี่เราลืมตาแล้วเราก็มองอยู่ใกล้ๆเนี่ยใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกอยู่เนี่ยแล้วเรายกมือเนี่ยเราก็รู้สึกให้มันมีจังหวะนะอย่าไปทําแบบอัตโนมัติอัตโนมัติคือยกไปโอโหยกลงเลยนะใจ ก, ก็คิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเท่าที่สังเกตวันนี้ก็มีหลายคนนะยกไปงั้นแหละ นะอันนี้ก็เรียกว่ายกฟรีขยันแต่ในแง่ของธรรมาก็บอกขีกเก้เกียจเกียดคานเพราะอะไรมันไม่รู้ตัวมันทําไปตามความเคยชินบางคนนีเดินแกว่งแขนเลยนะโหเดินแกว่งแขนเลยอันนั้นมันเพลินฟรีไม่ ง, งินอันเนี้ยความรู้สึกตัวไม่มีหรอกนะมันทําไปตามความเคยชินเพลินไปเพราะฉะนั้นเราทําให้มันมีจังหวะนะ พลิกมือตั้งยกมือให้มันมีเคลื่อนให้มันมีหยุดให้มันมีเคลื่อนให้มันมีหยุดแล้วก็รู้สึกตัวเจตนาที่จะรู้สึกตัวไปในการเคลื่อนไหวใส่เจตนาเข้าไปหน่อยมันจะเพ่งจะจ้องไม่เป็นลายช่างมันเดี๋ยวมันปรับเองนะมีบางคนบอกให้ทําไม่ต้องเพ่งต้องจ้องแรกๆมันยังไม่ต้องมันบอกไม่ได้หรอกเหมือนเราหัดเขียนกไก่อ่ะมันก็แหมะนะตั้งใจเต็มที่เลยนะ แรกๆมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันเพ่งจ้องนานๆมันจะมันจะมันจะค่อยๆปรับเองมันจะค่อยๆผ่อนเองตรงกลางเนี่ยที่มัธยมาติปจาร์เนี่ยไม่มีใครบอกได้มันคืออะไรพอเหมอะพอดีอะ่ะเราต้องสังเกตเองเราทําไปแล้วโอ้ยมันหนักๆมุนๆหัวแน่นๆหน้าอกแสดงว่าเราเพ่งกระแบงในมากแล้วมองออกไปอนอกบ้างปล่อยอารมณ์ออกไปอนอกบ้างพอปล่อยอารมณ์ออกไปอนอกมันฟุ้งสั้น อ้าวเพ่งก็มังไในบ้างนะเพราะนั้นการฝึกนี่เป็นศิลปะนะอย่าไปทําแบบที่ทอ่จ้องนะมีบางคนจ้องจใจมันรู้ตลอดเวลาเลยไอ้จ้องแบบนั้นเนะี่ยมันจะแน่นมันจะมึนธรรมาเคยเป็นมาแต่หมายก่อนเนี่ยไปเดินจงกรมจ้องจะให้มันรู้ตลอดนะนะหลงพระเทียนเดินผ่านมาเอาเป็นยังไงคุณสมใจมึนหลวงพ่อคุณจะไปเพ่งที่ ไอ้ผมก็ไม่ได้เพ่งนะลุงพ่ออ้าวไม่รู้ตัวอีกนะลุงพ่อดูลุงพ่อรู้อะไอ้ทำไงลุงพ่อมองออกไปข้างนอกบ้างปล่อยปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างนะไม่ีไปจ้องเพ่งย้ายมันรู้ตลอดคือสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะคนใหม่ๆเนี่ยรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างแต่ให้มันรู้บ่อยๆแต่ก่อนเราไม่เขารู้เลยใช่ไหมเาเผลอทักส่วนใหญ่หลงสะส่วนใหญ่รู้บ้างเผลอบ้างรู้แต่ให้รู้กลับมาเร็ว ให้กลับมาได้บ่อยๆนะเพราะฉนั้นชอบอีกคำหนึ่งที่หลวงพ่อคำเขียนนั่นพูด ก, ก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นความรู้สึกตัวแบบเป็นเส้นแหลกเส้นนะนะแต่รู้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นขณะขณะขณะรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างให้มันเป็นธรรมชาติทีนี้เราจะสังเกตยังไงว่าเอ๊ะมันพัฒนาขึ้นสังเกตง่ายๆ เดินไปเนี่ยนะคิดไปสิบเรื่องเนี่ยแต่ก่อนเราไม่รู้เลยทีนี้พัฒนาขึ้นเดินไปเดินไปมันคิดไปสิบเรื่องเ อ, อ้ยมันรู้ทันเรื่องหนึ่งอีกเก้าเรื่องไม่รู้ช่างมันเริ่มต้นรู้สึกใหม่เดินไปเดินมาเดินไปคิดสิบเรื่องรู้ทันสองเรื่องแปดเรื่องไม่รู้เออเดินไปเดินมาคิดทันสามเรื่องเจ็ดเรื่องไม่รู้สังเกตอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อ ย, อยนะ ถ้าทําเก่งขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นคิดปุ๊บ ป, ปุบ๊บปรับคิดปุ๊บปุ๊บกับไอ้นี่อัตโนมัติแต่อย่าไปคิดที่จะให้มันเป็นนะฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเดินแล้วอยากจะเป็นกันนะให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนปลูกต้นไม้อะ่ะเราจะไปมันคับให้มันโตให้มันโตไปทำไม่ได้เรามีหน้าที่อย่างเดียวใส่ปุ๋ยใส่ดินใส่พรมน้ําไปเดี๋ยวมันโตมันเองความรู้สึกตัวเหมือนกัน มันจะไปประสิทธิภาพมันจะฉับไวเนี่ยมันจะเป็นเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวบ่อยไอ้เนี้ยคือลดน้ําพวนดินทําอะไรก็กลับมารู้สึกตัวคนใหม่ๆเนี่ยหรือคนเก่าก็ตามนะอย่าทิ้งรูปแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยนะอย่าไปดูถูกนะตรงเนี้ยสําคัญอันนี้เป็นฐานสําคัญเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้รู้สึก กายเคลื่อนไหวให้ชัดทำตรงเนี้ยให้บ่อยๆทำตรงเนี้ยให้มันชนานาญทำตรงเนี้ยให้เกิดนิสัยมันจะเบื่อมันจะเซ็งก็ไม่เป็นไรเบื่อก็เรื่องเบื่อเราไม่สนเราก็ทำของเราอะนะสู้กับมันถ้าความรู้สึกตัวที่กายชัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปรู้ความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็น ความหิวความกระหายที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเนี่ยความสุขความทุกข์ความเป็นปกติของใจซึ่งมันเป็นนามธรรมเนี่ยสติมันจะเริ่มมีปริสิทธิภาพแล้วและมันจะไปทันกับความคิดเพราะนั้นจากกายเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ใจเพราะนั้นบางคนนะเคยไปฟังครูบาอาจารย์บางท่านท่านพูดบอกให้ดูจิตดูจิตเลยดูความคิดเลยเนี่ย มันไม่ทันการหล้กถ้าความรู้สึกตัวที่กายเรายังไม่ชัดนะมันไม่ทันหรอกมันโดนมันโดนความคิดหลอกมนละมันโดนจิตหลอกมนละที่ท่านพูดนั้นท่านพูดกับคนที่มีพื้นฐานแล้วแต่ส่วนใหญ่ในนี้เราชอบอ่านหนังสือบ้างฟังเทปบ้างแล้วไปเอายอดมาเลยเบื้องต้นยังไม่ไปเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทำฐานให้ดีก่อนหลวงพ่อเขียนท่นชอบพูดเหมือนกับเราเดินเดินสะพานข้ามน้าเนี่ย นะถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเหมือนมีลาวที่เราจะเดินผ่านไปได้วยความมั่นคงเพราะนั้นสติปัฏฐานสูตรเนะี่ยมาหาสติปัฏฐานสูตรจึงเริ่มต้นที่กายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือการที่เรามารู้ชัดกับกายเคลื่อนไหวนะซึ่งหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านได้นำเสนอ14จังหวะและการเดินจงกรมนะในรูปแบบไม่พอนะ นอกรูปแบบสังเกตไหมโดยวพากลุ่มมาปฏิบัติเนี่ยพอเวลาเลิกปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยจุดอ่อนเลยนะคุยกันเลยสติที่เราฝึกมาขาดช่วงเลยประัการฝึกสติเนี่ยต้องทำต่อเนื่องให้ต่อเนื่องมันเป็นลูกโซ่มันจะเกิดผลก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราเสียบปลัดหม้อน้ำร้อนเนี่ยสมมติว่า20นาทีมันนึงจะร้อน ถ้าเราเสียบไปห้านาทีเนี่ยแล้วเราดึงออกถามว่ามันจะเดือดไหมไม่เดือดต้องร้อยถึงยี่สิบนาทีใช่ไหมเหมือ mm. นกันการทําความรู้สึกตัวต้องทำให้มันต่อเนื่องจนมันเกิดความรู้สึกตัวที่ชัดแล้วมันเป็นเองนะเราไม่ไปคิดว่ามันเป็นนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้องนี้อย่าใช้ความคิดเลยทิ้งหมดเลยเป็นระบบการศึกษาที่ไม่ต้องใช้ความคิด คิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาคิดอะไรก็ไม่เอาทิ้งหมดเลยกลับมารู้สึกตัวนะเมื่อรู้สึกตัวที่กายชัดเนี่ยมันจะเข้าไปรู้เรื่องภายในกายเรื่องภายในใจนะแล้วเราก็จะไม่โดนหลอกไม่โดนความคิดหลอกความคิดเนี่ยเป็นตัวหลอกกายเราเนี่ยซี่สัดตรงไปตรงมามันร้อนมันก็บอกร้อนมันเย็นมันก็บอกเย็นมันปวดมันเมื่อมันก็บอก แต่ก่อนเราไม่ได้มาฝึกเนี่ยนะพอมันร้อนเราก็หงุดหงิดแล้ ว, ลวพอมันเย็นมบางทีก็เออสบายใจใช่ไหมเหมือนจะเปีดกเมื่อยอ้ยไม่ไหวนะมีบางคนโอ้โหวันนี้เห็นนวดขายใหญ่เลยนะโหย้ยจะไหวไม่ไหวเนี่ยขาจะขาดหรือเปล่านะจะเท่าเดินหรือเปล่าคิดไปละคิดไปละเห็นไหมคนนี้ไม่ได้ฝึกเนี่ยมันจะหลงในความคิดเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรเลยความคิดมันหลอกเอา ดนันคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรูเรื่องตรงนี้จึงทุกข์เพราะความคิดยเยอะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะเราทุกข์กับความคิดเยอะโดนความคิดมันหลอกหรือว่าอยู่ใต้อำนาจของความคิดนะถ้าเรามาทำอย่างนี้เราจะลอยตัวแลว้ลอยตัวเหนือจากความคิดและเราไม่โดนความคิดแอะมาหลอกอีกแล้วไอ้ตัวหลอกมาหลอกอีกแล้วนะเรารู้มาเลยนะ <c oughs> นอกจากนั้นก็มีเรื่องอารมณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็ตามอารมณ์ดีใจเสียใจนะซิ่งต่างๆอลไรเงี้ยเขาจะแสดงให้เราเห็นแต่ก่อนเราไม่รู้เนี่ยเราจะจมไปในอารมณ์เราจะจมไปอยู่ในความคิดนะเรียกว่าตกไปในกระแสของความคิดตกไปในกระแสของอารมณ์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงละหกละเหินจิตใจเราละหกละเหินไปในอารมณ์ไปในความคิดเขาเรียกว่าสังสารวัต หาสังสารวัตรหาทางออกไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับป่าดงดิบที่เราเข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้เขาวงกดหาทางออกไม่ได้ต่อไปนี้เรามีคุณแจเรามีเข็มทิศก็คือความรู้สึกตัวไอ้ตัวนี้จะพาเราออกมาออกมาจากอารมณ์ออกมาจากความคิดออกมาจากความทุกข์ได้เพราะความรู้สึกตัวนี้จึงมีคุณมีค่ามากและเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว นะเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากหนึ่งสติสองสัมปชัญญะภาษาบาลีแหละเราพูดภาษาไทยคือความรู้สึกตัวมันรวมกันอยู่ในนั้นแล้วนะมันรวมกัอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการมาเรีย น, น, นนะรรเรื่องนี้เนี่ยนะทําเรื่องเดียวเกิดผลหลายอย่างธรรมะทั้งหลายมันจะตามมา <c oughs> เขาบอกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นพ่อแม่ของกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนความไม่รู้อวิชชาเป็นพ่อแม่ของอกัสรธรรมทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งที่เรามาทำนี่นะเรียกว่าเราจับสุดยอดเลยนะเรียนรู้ธรรมะสุดยอดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้มันบ่อยๆทำให้มันบ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยขึ้นมาแต่แน่นอนละทำบ่อยๆมันก็เบื่อนะเพราะจิตมันเบื่อกิเลสมันก็จะบอกเอ้ยพอแล้วไม่ไหวแล้วนะ มีบางคนก็ไม่สู้ละทอล้อละนั่งยกไม้ยกมือแต่ตลอดแกล้มเข้มแข็งดีทำไปทำมาอ่อนปลกเปลกละไมเอาละนะบางคนก็หลับไปเลยเดินความเรื่องมันเกดหัวกดตาเพราะฉะนั้นความเรื่องไม่มีพิสงเลยถ้าใจเราสู้เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะก็คือการที่เราจะกลับคืนไปสู่ความเป็นปกติของจิต ซึ่งตะ ก, กี้นี้ที่เราสวดกันเนี่ยมีเรื่องของอพระพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมจุดที่รู้ตื่นเบิกบานนั่นคือพุทธะทุกคนมีพุทธะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะที่เรากราบไหว้กันเนี่ยไปนึกถึงเจ้าใ จ, าจาอิจฉที่มือยินเดือนนู่นอันนั้นก็เป็นพุทธเจ้าข้างนอกอะ่ะช่วยอะไรเราไม่ได้ล่ะช่วยได้เพียงแต่เราระลึกแต่พุทธะคือจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยช่วยเราได้ แล้วอนนี้มีอยู่แล้วสัมผัสบ่อยๆสัมผัสเรื่อยๆนะจิตที่รู้ตื่นเบิกบานตรงนีนะ้ซึ่งเราจะรู้ได้โดยการกลับมารู้สึกตัวเพียงแค่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะเข้าไปสัมผัสไอ้จิตนี้ได้ตลอดได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราเนืองนั่นก็คือจิตพุทธะมันโดนกลบด้วยความง่วงเพราะนั้นวิธีการแก้ก็คือต้องแก้ความง่วง ามตอนบ่ายถามหลายคนบอกที่สุดของความเมื่องคืออะไรบางคนบอกคือหลับแต่สังเกตไหมที่สุดของความเมื่องนี่ตะกี้นี้ตอนเย็นอนาะจารย์ทรงนัลธรามบางคนเนี่ยพอมันที่สุดของเมื่องมันตื่นขึ้นมานั่นหละคือการตื่นประนันใจนะนะไม่ตื่นก็หลับไม่หลับก็ตื่นทำาม่ใหม่มันก็จะอย่างนี้แหละหลับๆับตื่นตื่นนะ ความเบื่อเหมือนกันก็เป็นอารมณ์เหมือนกันอย่าไปยอมแพ้มันเรื่องของความเบื่อเรื่อ ง, องความเบื่อแต่เราอย่าทำอะนะ <c oughs> นึกถึงความเพียรความพยายามที่จะพาหมาชนกนะว่ายน้ำไปไม่รู้เหมือนกันไอ้ข้างหน้ามันถึงฝั่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าถือว่าเรามีความเพียรที่จะไปให้ได้ไปถึงฝั่งให้ได้นะเพราะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยความเพียรเลยการหนึง ที่มาปฏิบัติกันนีนะถ้าเราบารามีของพระเตมีบ้ายมาจริงๆทศบาลามีเนี่ยนะก็คือฝึกตัวเราเนี่ยพระเตมีบ้ายคืออะไรไม่พูดไม่คุยเงียบเลยยิ่งมีเวลาน้อยเนี่นะเงียบเลยไม่พูดไม่คุยเลยต่างคนต่างอยู่เป็นไม้ที่มีเหตุจำเป็นจริงๆนะตรงเนี้ยจะเกิดผลนะพระเตมีบ่ายาพระชนกนะ สุดท้ายนี่ก็คือพระไม่สันดอนนะก็คือปล่อยให้หมดอะไรผ่านมากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวอย่าไปยึดติดอารมณ์มันหลายผ่านจะดีก็ไม่จะดีก็ตามร้ายก็ตามผ่านหมดเลย ม, มีบางคนทําแล้วโอ้โหติดตีซาบซ่านเลยพูุ น, นี้อยากได้อีกวันนี้อยากได้อีกอย่าไปเอานะผ่านทางผ่านผ่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจิตมันปกปติ มันปกปติของมันอยู่อย่างนั้นไอ้ตรงนี้จนะเป็นที่พึ่งแล้วมันมีของมั น, ม, นมันแสดงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้สังเกตเราไปสังเก ต, เาเกตอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เหมือนกับเรานิยมชมชอบน้ำหวานน้ำเปรี้ยวน้ำที่มีรสชาติแต่น้ำจืดๆเนี่ยเราไม่ค่ยให้ความสาคัญมันแต่ปิดท้ายเรากินน้ำอะไรก็ต้องมาจบที่น้าจืด ความเป็นปกติของใจเนี่ยมันก็เหมือนกันอะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็อย่างว่านะคนก็ไม่่อยชอบมันจืดจืดชืดๆดหลายคนก็ไปเตีความว่าโอยงยนี้ปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นคนจืดชืดไปดิใช่ไหมกลายเป็คนเยนชาไปดิไม่ใช่นะมีชีวิตชีวาขึ้นนะเพราะามันเป็นปกติแต่สภาพแบบ น, นี้มันก็ใจยาก น, นะที่ผู้ได้ฟังเนี่ยบางคนก็ จ, จะสัมผัสแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่สัมผัสไปถึงบอกว่า สภาพเนี้ยเป็นสภาพที่เข้าใจยากแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเรานะความเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยหลายคนมาเรียนมามมาแล้วบอกโอ้โ oh, หต้องอย่างนั้นอย่างนี้คิดนึกไปไงหรูหลาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีฤทธิ์มีเดชต้องมีหูทิปตาทิปเอนน์ไม่ใช่อ่ะแอนนมันมีมาก่อนมีก่อนพุทธเจ้าเป็นของแถมสาหรับคนที่ฝึก ฝึกแบบสมถะมาก่อนของเรานี่ไม่ต้องมีเลยไม่เอานะของเราตรงไปตรงมาเลยวิปัสนาตรงไปเลยนะไม่ต้องไปเอาไอ้ตรงนั้นอนะฤทธเดช ท, ทั้งหลายมันเสื่อมได้นะถ้าคนที่ไม่เข้าใจครั้งพุทธการก็มีนะมีฤทธศีตนนึ่งนี่มีฤทธเดชห่อจับป่าหิมพานเข้าไปในเมืองไปมาไปมาอยู่ทุกวันมีอยู่วันหนึ่งผ่านไป ห้องบรรทมของกษัตริย์ไปเห็นมเหสีนอนอยู่เสื้อผ้าหลุดลุ่ยเกิดลาคะขึ้นมา ด, ดิดเดดหมดเลยตกจากท้องฟ้าวันนั้นต้องเดินกลับปาหิมพาน <c oughs> นะเพราะวะ่าริธเดดมันไม่มีก็ได้่มันเสื่อมได้เพราะนั้นสิ่งที่เรามาฝึกกันเราไม่ได้มุ่งหวังตรงนั้นนะ เรามื่องหวังที่จะทำอย่างไรที่จะกลับคืนสู่ความเป็นปกติทำให้เรามีความเข้าใจกายใจของเร า, าด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่เรามาทำเนี่ยนะมันจะเบื่อมันจะเมื่องไม่เป็นไรมันจะคิดฟุง้งซ่านไม่เป็นไรนั่นแหละของดีเขามาแสดงให้เราเป็นแบบฝึกหัดให้เราลองดูซิเมื่องเราจะแก้ออกอยังไงเราจะลีกออกอยังไงเราจะกลับมารู้สึกตัวยังไง พอมันคิดฟุ้งซ่านจะกลับมายัางไงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นแบบฝึกหัดทั้งนั้นเลยการเห็นนา ม, มะเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นสิ่งเหล่านี้แหละของจริงกายอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดที่เขาแสดงตัวออกมาแล้วเราไม่เข้าไปอยู่เขากลับมารู้สึกตัวถอนตัวทําไปมันก็ปล่อยวางไปงเรื่ยอยๆอ่ะนะ ปล่อยวางอันเนี้ยมันเป็นการฝึกปล่อยวางเพราะนั้นต้องอดทนหน่อยใช้ความเพียร น, นะใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามอยู่คนเดียวนิ่งๆอย่าไปพูดไปคุยนะ <c oughs> ตรงนี้จะเกิดผลโดยเฉพาะคนที่มีเวลาน้อยนะหรือคนที่กําลังฝึกนะพยายามพูดคุยกันน้อยๆตรงนี้จะเกิดผลตัวอาตมาเองฝึกมาก็เนี่ย วันหนึ่งเนี่ยนะตอนนั้นไปฝึกใช้เวลาวันหนึงไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมงอะ่ะไม่พูดไม่คุยกันเลยฉันข้าวเสร็จเดินจงกรมสร้างยังหวะเดินจงกรมสร้างยังหวะนะเสร็จแล้วไปฉันเพนฉันเพนเสร็จเดินจงกรมส่งน้ําไหวพระสวดมนต์ทำวัดเสร็จก็ไเดินจงกรมสมัยนั้นหลวงพ่เทียนนั้นไม่มาควบคุมนะท่านปล่อยให้เราทําแต่ท่านเลยคอยดู จะเข้าไปถามไปพูดไปคุยท่านพูดอะไรไม่มากพูดนิดๆหน่อยๆท่านดูเราก็รู้กริยาการเราก็รู้เราติดอารมณ์อะไรท่านก็จะแนะนะสมัยก่อนมีคนไม่เยอะขนาดนี้รหรอกโอ้ยว้าเวนะถ้าใครไม่มีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยที่ปาสโกโตะสมัยที่มาใหม่ๆเนี่ยก็คนไม่เยอะขนาดนี้หลวงพ่อกมเขียนนั่นก็ไม่ได้มาควบคุมอะไรเราหรอกปล่อยให้เราทาแต่ท่านคอยไปดูเหมือนกันสอดถามพูดคุยแนะนำนะ โชคดีนะพวกเราเนี่ยมาเจอยุคนี้มีเพื่อนมีการยานามิตรเยอะมันอบอุ่นดีไอเราเนืองเพื่อนมันก็เนืองเหมือนกันเนอะไอมันก็เพื่อนกันนะใช่ไหมเออมันก็ให้กําลังใจกันเพราะนั้นเราต้องอาศัยบรรยากาศอย่างเนี้ยในการที่จะทําให้การเจริญสติของเราพัฒนาขึ้นนะให้ดีขึ้นอาศัย <c oughs> เพื่อนกรนารยาณมิตรเนี่ยนะเป็นเป็นสิ่งแวดล้อม นะใส่ครูบาอาจารย์พูดแนะนำนะแล้วก็ตั้งใจของเรานะใช้ใจของเราใช้ความเพียรพยายามของเราใช้ความอดทนของเรานะ่ะสิ่งนี้นะ่ะถ้าทำได้นะ่ะเป็นของมีค่าเลยนะสำหรับตัวทํไมเองนะคิดว่าไอ้นี่งานชิ้นเอกของชีวิตเลยนะก่อนตายเนะี่ยขอทำงานชิ้นนี้ให้มันถึงที่สุดตอนนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะนะแต่พอเห็นทางแล้วนะ เห็นช่องแล้วละ่ะที่จะเดินไปเนี่ยแล้วทางนี้ช่องนี้ใช้ความรู้สึกตัวอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทําอย่างเดียวแต่ทาให้บ่อยๆทาให้มันต่อเนื่องกันเหมือนลูกโซ่หลวงพ่อเทียนท้าทายไว้นะอย่างชาสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันสมัยท่านอยู่นะท่านท้าขนาดนั้นเลยนะ ใครทําไม่ได้หรือทาไม่เกิดผลคุณได้เงินเดืนอนเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายให้เลยเท่าที่ทราบนะไม่มีใครได้เงินหลวงพ่อเทนตุลเพราะว่าไปทําแล้วถ้าไม่ถอยก็เลยเลยแล้วเข้าใจมีสมัยนั้นนะมีมีหลายคนตั้งใจโอ้ห oh, หลวงพ่อทางี้ไปนะไปทําสุดท้ายก็บางทีอินรีย์ไม่พอก็ถอยแต่ที่อินรีย์แก่กล้าก็จะ เกิดผลเหมือนกันสมัยหน้าแต่มาไปบวชประมาณสักสี่สิบห้าวันนะรู้รูปรู้นามเนี่ยเข้าใจแล้วตั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะให้เราเข้าใจเรื่องอื่นๆแต่บางทีเราก็ประมาทนะเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วจริงๆรู้นิดเดียวแล้ว ไ, ไปรู้เยอะออกไปทํางานทําการลืมไปเหมือนกันแต่ก็อาศัยกลับมาบ้างกลับมาบ่อย เวลาพักร้อนของธรรมาหรือเวลาที่วันหยุดเนี่ยก็จะมาวัดนี่แหละมาหลวงพ่อเตียนหลวงพ่ออมเขียนมากินมานอนมาเรียนรู้กับท่านนะตรงนี้ก็ทําให้เราพัฒนาขึ้นนะได้เรื่อยๆแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ต้องถามนะเอาไปใช้อย่างไงเนี่ยสติมันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะไปใช้อย่างไงไม่ต้องไปคิดเลยสตินี่มันพิเศษมากเลยนะความรู้สึกตัวมันจะช่วยนะช่วยทําให้เรารู้ว่า ควรจะทำอะไรพอเหมาะพอดีชีวิตของเราก็เลยพอเหมาะพอดีไม่ต้องไปวิ่งหาเงินหาทองมากหาเงินหาทองพอกินพออยู่ที่เหลือก็อไปทําบุญช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เขางานะตรงเนี้เป็นเศรษฐกิจที่เป็นความพอเหมาะพอดีกเกษียณมาไม่มีหนี้เลยนะยังมีเงินเหลืออีกนะก็อยู่ชีวิตพอเพียงนะี นะที่ในหลวงพูดเนี่ยชีวิต พ, พอเพียงต้องมีความรู้สึกตัวเข้าไปประกอบจะทำให้เกิดผลขึ้นมานะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เราพิสูจน์นะอย่าเชื่อที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะทำอย่างเดียวใจมีสติอยู่กับกายผลลัพธ์เท่ากับปกติวงเล็บศีลเนี่ยจันทร์ทรงศีลดานสูตรสำเร็จไปเลยทาตรงนี้อย่างเดียว แต่เริ่มที่กายก่อนเอาให้ชัดๆตรงนี้ก่อนนะมันจะเบมะืมันจะเซ็งมันจะเงี้ยงเหงาเอานอนอย่าไปยอมแพ้มันลุยกับมันเลยชกมันเลยนักงวยไม่ต้องล้มชกเลยชกเบ้าตามันเลยนะสู้มันเลยเด็กๆก็ทําได้เด็กเนี่ยเท่าที่ทราบสมัยหลวงพ่อเทียนเนี่ยเก้าขวบที่รู้ธรรมะนะหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเก้าขวบเข้าใจธรรมะได้ แลที่ท่านท้าสามปีอะไรนั่นอ่ะจากประสบการณ์ที่ท่านสอนคนมพันพันธคนเนี่ยอย่างช้าที่สุดสามปีประสบการณ์ท่านถึงรับรองได้ไงสมัยกลางพุทธการก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะพระเจ้าก็คงจะมีมีคนที่มาเรียนรู้แล้วก็อย่างช้าที่สุดเจ็ดปีนะอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่เราจะได้ได้สัมผัสกับกลิ่นอายของการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับสมัยนี้มาก เป็นสมัยแห่งการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่นั่งนิ่งๆเราต้องทำการทำงานเพราะนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี่จึงเหมาะกับคนยุคนี้มากนะขอให้เราทำจริงๆเถอะนะมีคำคํานึงที่หลวงพ่อเทียนชอบใช้คนจริงรู้ของจริงคนไม่จริงรู้ของไม่จริงฟังดีหลวงพ่อพูดดีแต่ไม่ทำอะอุปส า, ากันหนึ่งที่เห็นชับเทียนคือรักสบาย ตรงเนี้ยใครที่รักสบายนะมาอยู่วัดป่าสุโกโตแล้วรักสบายนะเสียดายไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดของวัดป่าสุโกโตไปกินกินนอนๆอยู่ไปสบายๆนะทําพอมาฝึกสติหน่อยโอย้ยไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วไม่ทะลุผ่านความยากลําบากตรงนี้ก็เลยเสียโอกาสไปอยู่ป่าสุโกโตก็อยู่ไปอย่างนั้นและก็เหมือนวัด ท, ทั่วๆไปแต่ถ้าเราใช้บรรยากาศ ในการที่จะทะลุความยากลำบากไปเราจะได้สัมผัสได้สิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราเองทั้งอยู่ที่นี่แล้วก็กลับไปที่บ้านนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ไม่รู้พูดไปก่อนเวลาแล้วมั้งเนี่ยนะฮพูดพันไปเรื่อยเลยนะฟังรู้เรื่องมัง้งหรือเปล่าไม่รู้นะนะเราก็สรุปมาว่าการจเจริญสิเนี่ยนะ ให้เรามารู้สึกตัวที่กายให้ชัดเป็นขั้นต้นต้นะแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปวินิจฉัยไม่ต้องไปวิเคราะห์ผ่านผ่านผ่า น, านไปเรื่อยๆการผ่านเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเองเดี๋ยวมันจะรู้เองมันจะบอกเองเพราะนั้นระบบการศึกษาแบบนี้ไม่ต้องใช้ความคิดผ่านผ่านเดี๋ยวมันจะฉลาดเองปัญญามันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเราจะปล่อยวางยังไง สติเขาจะทำหน้าที่ปล่อยวางเขาเองเราไม่ต้องไปตั้งใจปล่อยวางแล้วชีวิตจิตใจจะกลับคืนสู่ความเป็นปกติซึ่งเป็นสภาพดั้งเดิมเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของจิตที่เป็นที่พักของเรานะที่พระเจ้าบอกว่าอัตจเหตโนทุตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือตรงนี้นี่เองนะอะไรในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรยัย ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธก็คือจิตที่รู้ตื่นเบิกบานที่มาอยู่ในพวกเราทุกคนพระธรรมก็คือเศรษธรรมความจรงิงทั้งที่เราเห็นว่าดีหรือไม่ดีก็ตามที่มันปรากฏที่มันแสดงทั้งภายในใจของเราแล้วก็ภายนอกนที่มันปรากฏให้เราเรียนรู้มองมันตามความเป็นจรงิงไม่ใช่เป็นไปตามความ คิดของเราแล้วก็พระสงฆ์นะก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติที่เราได้ทำกันนี้แหละนาะจงเป็นพรวะวปปัจัยหนุนนำส่งให้พวกเราได้สัมผัสกับความเป็นปกติของจิตที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะเป็นที่พึ่งนะเป็นความสุขกเกษมสารที่มีอยู่แล้วในทุกๆคนนะโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทิดเจริญพร